ที่พระพุทธเจ้าพาได้เจ้าได้ตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้นเหตุคืออย่างไรจึงมีพระพุทธศ า, ศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบินรัพัฒอายุย9สปีท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่แหละสลดหดหูในพรไทยของท่านเพราะนั้นท่านจึงหาช่องทาง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 ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกอจากนั้นพระองค์พระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนเกิดฌานขึ้นมาท่านลลึกชาติวนหลังได้ว่าปุเพนิวะสานุจติยานลําลึกชาติวนหลังได้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 วิธีการที่จะขึ้นมาจุดนี้เราขึ้นมาได้อย่างไรท่านก็ น, นึกย้อนดูอ่ากนั้นก็ท่านก็นรู้ที่เราขึ้นมาได้เพราะเรามีสเสบียงสเสบียงเดินทางเราได้เตรียมสเสบียงถ้าเราสเสบียงเราดีเรามีสเสบียงไม่ขาดสเสบียงในการเดินทางเราก็มากขึ้นถึงจดจุดนี้ได้สเสบียงเดินทางคืออะไรก็คือบุญกุศลคือคนที่มีทาน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 นี่หลวงปู่มั่นท่านบอกท่านบอกว่าพระต้องเป็นผู้มีศีล น, นะอย่าออกนอกลูก่นอกทางถ้าว่าเป็นผู้ทุศีลแล้วตทำจิตใจให้เศร้าหมองทำจะไม่เกิดขึ้นกับกับผู้ทุศีลผูผ้เป็นผู้ไม่มีศีลเพราะฉนั้นศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยก็เป็นผู้มีทานมีศีลให้เป็นผู้สํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยพอสมควรจากนั้นกนะ็ท่านก็ให้ไหว